หลักของการปฏิบัตนะิมันไม่ได้ยากเท่าไหร่หรอกการปฏิบัติทำจริงๆนะคือการเรียนรู้ตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็กายกับใจนีรู้ไปเพื่ออะไรรู้เพื่อให้เห็นความจริงของร่างกายของจิตใจเห็นความจริงไปเพื่ออะไรเพื่อจะคลายความยึดถือ พอเห็นความจริงแล้วมัจะคลายความยึดถือใครความยึดถือแล้วมันได้อะไรใครความยึดถือแล้วมันไม่ทุกข์เรายึดสิ่งใดนะเราก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นนะอย่างเรายึดครอบครัวเรานะเราก็ทุกข์เพราะครอบครัวเราเรามีบ้านเราก็ทุกข์เพราะบ้านของเราเราห่วงมัน เดี๋ยวบ้านจะพังเดี๋ยวคนอื่นจะมาบุกเดี๋ยวขโมยจะมาปล้นอะไรอย่างนี้รุ่มใจมีรถยนต์ก็กรุ่มใจเป็นห่วงกลัวรถหายกลัวรถพังมีอะไรขึ้นมานะถ้ามีไม่เป็นแนละ้วมันทุกข์ถ้ามีเป็นแนละ้วก็ไม่ไม่ทุกข์อย่างเรามีบ้านบ้านเราไว้อยู่ มีเป็นก็คือเข้าใจความจริงของบ้านว่าบ้านมันก็ต้องเก่าต้องพังต้องซ่อมไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันก็พังไปหมดถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงของมันะมันก็ไม่กลุ้มใจมีรถยนต์เาไว้ใช้ถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงของมันเราก็ใช้มันดูแลมันไปถึงวันหนึ่งมันก็เก่ามันก็ผุพังไป ซ่อมได้ก็ซ่อมซ่อมไม่ได้ก็เป็นเรื่องธรรมดามันยังอยู่เราอยู่ก็มันให้เป็นเราไม่ทุกข์ถ้าอยู่ไม่เป็นเราก็ทุกข์เรามาเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจนี้ก็เพื่อให้เข้าใจมันเราเข้าใจความเป็นจริงของร่างกายร่างกายต้องแก่ทำไมมันต้องแก่เพราะมันไม่เที่ยงร่างกายต้องเจ็บ ทำไมมันต้องเจ็บเพราะมันเป็นทุกข์ร่างกายต้องตายทำไมมันตายมันเป็นอนัตตามันเป็นของโลกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมันหนึ่งต้องคืนโลกไปถ้าเราเข้าใจว่าเป็นจริงของร่างกายนะร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายเราไม่กลุ่มใจแต่เราดูแลมันดูแลมันเพราะเราได้ประโยชน์จากมันเราดูแลร่างกายเหมือนเราดูแลลูกจ้างของเรา เรามีลูกจ้างเราก็ต้องดูแลเพราะเขาทำงานให้เราเขาจะต้องมีอยู่มีกินมีบ้านอยู่มีข้าวกินมีเสื้อผ้าใสเจ็บไข้เราดูแลรักษานี่เราเป็นนจ้างเพื่ออะไรเพื่อว่าเราได้ประโยชน์จากลูกจ้างเขาทำงานให้เราทำให้เรามีอยู่มีกินเหมือนกันเพื่อพึ่งพาใสยซึ่งกันและกันร่างกายนี้เหมือนลูกจ้างเรา เราดูแลเขาเพราะเขาทำประโยชน์ให้เราทำประโยชน์อะไรประโยชน์สารพัดจะประโยชน์ประโยชน์สำคัญที่สุดก็คือพาเรามาปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่มีร่างกายเราพอนายากนะสัตว์บางชนิดไม่มีร่างกายมีแต่จิตมีรลมบางชนิดไม่มีกายมีแต่จิตมองไปทางไหนก็ว่างเปล่า ทำได้อย่างเดียวทำได้แต่เรื่องที่ละเอียดทางใจเจริญเมตตาไปเรื่อยไม่รู้เมตตาใครรู้ว่าสัตว์อื่นมีอยู่แต่มองไม่เห็นเลยไม่มีตาไม่มีร่างกายไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายต้องภาวนาลำบากต้องภาวนาด้วยใจอย่างเดียวนี่พวกเรามีร่างกายเราก็ดูแลมันไป หาข้าวให้มันกินไม่สบายก็รักษามันหนาวไปก็หาเสื้อผ้ามาใส่ดูแลร้อนก็ไปอาบน้าบ้างอะไรบ้างร่างกายนี้อยู่ได้เราก็ไม่ได้โง่เป็นนายจ้างเลี้ยงลูกน้องไว้แต่ไม่ให้ทำงานเลี้ยงเฉยๆอย่างนั้นก็ไม่ฉลาดอีกามีร่างกายเราก็ใช้ประโยชน์ให้สูงสุดเลย ต้องใช้ประโยชน์ให้สูงสุดประโยชน์สูงสุดก็คือมาสร้างคุณงามความดีทั้งหลายอาศัยร่างกายนี้ก็พัฒนาให้มันมีศีลมีสมาธิมีปัญญาขึ้นมาไม่งั้นมันก็แกเ่เปล่าๆเจ็บเปล่าๆตายเปล่าๆก่อนที่มันจะแ ก, ะก่มาภาวนาก่อนมันจะเจ็บมาภาวนาก่อนมันจะตายมาภาวนาให้ได้มาดูความจริง จนกทั้งวันหนึ่งเรารู้นะั้นว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเหมือนลูกจ้างเรานะอาศัยกันอยู่เขาอาศัยเราเราอาศัยเขาจิตใจนี้ก็เหมือนกันเราก็มาดูไปด้ให้เห็นความจริงของจิตใจจิตใจมีแต่ความไม่เที่ยงจิตใจที่เป็นสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปจิตใจที่เป็นทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไป จิตใจเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปจิตใจที่ดีจิตที่มีศรัทธาอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตที่ขยันภาวนาอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับกลายเป็นจิตขี้เกียจก็ได้จิตที่มีสติเกิดแล้วก็ดับบางวันไม่ยอมมีสติเลยสั่งไม่ได้จิตที่มีปัญญาบางทีมันก็เดินปัญญามนทีมัก็รู้อยู่เฉยๆไม่ยอมมองความจริงของกายของใจ แค่รู้สึกกายรู้สึกใจอยู่เฉยๆมีสติแต่ไม่มีปัญญามองไม่เห็นความจริงมีสติรู้ว่ากายมีอยู่ใจมีอยู่แต่ไม่มีปัญญาคือไม่รู้ความจริงของกายของใจว่ามันเป็นไตรลักษณ์เนี่ยความดีนะศรัทธาก็ไม่เที่ยงความเพียรพยายามความวิริยะก็ไม่เที่ยงสติก็ไม่เที่ยงปัญญาก็ไม่เที่ยง ทำไมไม่พูดถึงว่าสมาธิสมาธิเกิดกิดจิตทั่วทไปจิตที่ดีก็มีสมาธิจิตที่ชั่วก็มีสมาธิแต่ไม่เหมือนอย่างศรัทธาที่แท้จริงเนะีเกิดกิดจิตที่เป็นกุศลจริงๆมีริยะความภาพเพียรเกิดจากจิตที่เป็นกุศลนะยเว้นเพียรทําชั่วนั้นใช้ไม่ได้สติเนะี่ยเกิดเกิดกุกศลปัญญาเกิดกิดจิตที่เป็นกุศล สมาธิเอาแน่ไม่ได้พวกผู้ไร้ก็มีสมาธิเหมือนกันจะยิงหัวคนสักคนก็ต้องมีสมาธิกุศลมันก็ไม่เที่ยงบางทีเขาศรัทธาบางทีก็ไม่ศรัทธาบางวันก็ขยันตั้งใจจะขยันแล้วก็ขี้เกียจอย่างนี้บางวันก็มีสติบางวันก็ไม่มีสติบางวันก็รู้ตัวอยู่เฉยๆบางวันก็เห็นความจริงของกายของใจ สั่งไม่ได้เลือกไม่ได้อีกเนี่ยดูเรื่อยๆนะเห็นความจริงของมันความสุขความทุกข์ก็แปรปรวนตลอดเวลาความชั่วก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันอย่างความโกรธหรือความเสียใจเคยเสียใจไหมเสียใจเสียใจอยู่ชั่วคราวแล้วก็หาย บางทีไม่ได้ทําอะไรเลยมันหายเองอเพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงดีใจก็ไม่เที่ยงเสียใจก็ไม่เที่ยงโกรธก็ไม่เที่ยงตั้งใจจะโกรธก็ไม่โกรธนะทีไม่คิดจะโกรธก็โกรธขึ้นมาโกรธแล้วอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายนะกระทั่งความเศร้าโศกก็ของชั่วคราว พ่อแม่ของใครตายแล้วมีแหมคนไทยด้วยใครที่พ่อแม่ตายแล้วมีแม่ตายคนหนึ่งก็ยังดีสองคนก็ได้ตอนตายเศร้าโศกไหมก็เศร้าโศกชั่วคราวเดี๋ยวก็หายใครเคยลูกตายบ้างมีไหมมีมีน้อยจังลูกตายนี่ยทุกข์มากเพราะไม่คิดว่ามันจะตาย อย่างพ่อแม่ตายนะเรารู้สึกว่าธรรมดาแก่แล้วก็สมควรตายนะแต่ลูกเราเนี่ยงเด็กไม่สมควรตายอย่างเราเคยคิดว่าพ่อแม่เราจะตายเมือนพ่อแม่ตายเนี่ยเราทำใจได้ง่ายไม่ทุกนานเราไม่เคยคิดเลยว่าลูกเราจะตายก่อนเรานีพอลูกตายขึ้นมานะทำใจไม่ได้ทุกนานนะทุกมากทุกไม่มาก ทุกนานทุกไม่นานอยู่ที่ว่ายอมรับได้ไหมถ้ายอมรับได้ก็ไม่ทุกนะยอมรับได้นิดหน่อยก็ทุกมากหน่อยยอมรับได้มากก็ทุกน้อยหน่อยของที่เรารักที่สุดไม่ใช่ลูกเราคนส่วนใหญ่ก็คิดว่ารักอะไรที่สุดรักลูกที่จริงไม่ใช่สิ่งที่รักที่สุดคือตัวเอง ทุกคนรักตัวเองมากที่สุดทำไมรักลูกก็มันเป็นลูกของตัวเราเองถ้ามันเป็นลูกคนอื่นจ้างก็ไม่รักลักลก็รักนิดหน่อยลักก็ชั่วคราวแต่ละคนรักตัวเองที่สุดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นความจริงของตัวเองได้เราจะไม่ทุกข์ของที่รักที่สุดก็คือร่างกายจิตใจของเรานีงถ้าเราเห็นความจริงของร่างกายเห็นความจริงของจิตใจแล้ว มันก็ไม่ทูกขอีกต่อไปละก็ทั่งตัวที่เรารักใคร่ผูกพันมากที่สุดนะเรายัางไม่รักใคร่ผูกพันเลยเพราะน้นสิ่งอื่นเนี่ยเราไม่รักใคร่ผูกพันนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราต่อไปนี้นะเราไม่ทูกอีกต่อไปสภาวะที่ไม่ถูกนั่นแหละคือสภาวะที่เป็นสุขอย่างแท้จริงส่วนความรู้สึกสุขนั้นเป็นของไม่แท้จริงเพราะความรู้สึกสุขนั้นเกิดอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไป แต่สภาวะที่มันไม่ทุกข์นะใจที่มันไม่ทุกข์มันเข้าถึงความไม่ทุกข์แล้วเนี่ยมันไม่ทุกข์อีกเลยมันเป็นภาวะที่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่คงที่อยู่ไม่เสื่อมความสุขอื่นๆมันเสื่อมแต่ความสุขเพราะว่ามันไม่ทุกข์แล้วนะที่มันไม่ทุกข์แล้วเพราะมันไม่ยึดถือเราไม่ยึดถือกายเราก็ไม่ทุกข์เพราะกายเราไม่ยึดถือจิตใจก็ไม่ทุกข์เพราะใจ เรายึดสิ่งใดเราก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นถ้าไม่ยึดเราก็ไม่ทุกข์ไม่ยึดได้เพราะเห็นความจริงของร่างกายก็เลยไม่ยึดร่างกายเห็นความจริงของจิตใจก็ไม่ยึดจิตใจงั้นสิ่งที่เราจะมาฝึกตัวเองเป็นศาสตร์ชั้นสูงที่สุดของพระพุทธเจ้าก็คือศาสตร์แห่งความการเห็นความจริงของกายของใจ วิธีที่เราจะเห็นความจริงของกายของใจได้เราต้องทำตัวเป็นคนเห็นคนเห็นน่เป็นคนวงนอกเวลาถ้าเราเป็นคนชกมวยเองนะเราเป็นนักมวยเราไปชกกับเขาเนี่ยเราดูคู่ต่อสู้ยากไม่รู้จะสู้ยังไงดูยากแต่ถ้าเราไม่ได้ชกด้วยนะเราเป็นแค่คนดูเราเห็นคนอื่นชกกันนะเรารู้เลยว่าคนไหนเก่งคนไหนไม่เก่ง แต่เวลาเราลงมือไปโชว์เองนะเรางงดูยากงั้นถ้าเมื่อไหร่เราเป็นผู้กระโดดลงไปเล่นเองนะเราจะดูทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยากมากเลยแต่ถ้าเราเป็นคนมองนอกเราจะดูได้ ง, ง่ายขึ้นเป็นคนมองนอกเราเป็นคนเป็นแค่คนดูเราไม่เกี่ยวอย่างถ้าเราเป็นดารานักสแสดงเป็นดาราหนังเป็นคนเล่นหนัง เราก็ว่าเราเล่นเก่งแล้วละ่ะควรจะได้รางวัลได้ตุ๊กตาทองมนะันมีตุ๊กตาได้ถ้วยรางวัลเล่นเก่งแต่คนอื่นเขาดูเราแล้วเล่นไม่เก่งเลยนะเพราะอะไรเราดูตัวเองไม่ออกนะเราจริงจังกับมันมากแต่ถ้าคนอื่นมาดูนะดูง่ายจะเห็นความจริงง่ายเพราะไม่มีเรียกว่าอาคติอคติ หมายถึงมีความลำเอียงมีความลำเอียงอย่างเวลาเราดูคนอื่นนะเราดูง่ายเขาดีเขาไม่ดีอะไรเราดูา ง, ง่ายแต่เวลาเราดูตัวเองเนี่ยเราลำเอียงเราเข้าข้างตัวเองเราก็ว่าเราดีทุกทีเลยงั้นเราดูไดไไ้ไม่ตรงความจรงิงเราจะดูได้ตรงความจริงนะเราต้องไม่ลำเอียงดูอย่างยุติธรรม เราก็ตูแบบไม่มีส่วนได้เสียอย่างถ้าเราเป็นผู้พักษาเป็นศารเป็นผู้พิพากษาญาติเราขึ้นศาลแม้มันอดละเมียงไม่ได้แต่ถ้าเป็นคนอื่นคนอื่นสองคนทะเลาะกันมาขึ้นศาลเราตัดสินง่ายเลยถ้าคนหนึ่งมันเป็นญาติเรานะเป็นคนที่เรารักนะแม้มตัดสินยากมันอยากละเมียงใจนี้เหมือนกันนะเราต้องมาฝึก ถ้าทั้งมันเป็นกลางไม่ลำเอียงเป็นคนดูซื่ อ, อวิธีที่จะฝึกให้ใจเป็นกลางไม่ลำเอียงนะก็ทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันใจหนีไปรู้ใจหนีไปรู้มันก็จะไม่หนีมันตั้งมั่นขึ้นมามันก็เป็นคนดูขึ้นมาพอเป็นคนดูแล้วเนี่ยพอมันไปเห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสมันไปคิด แล้วมันเกิดพอใจเกิดชอบเกิดไม่ชอบขึ้นมาให้รู้ทันพอเรารู้ทันความชอบความไม่ชอบมันจะหายไปใจจะหมดความรลเมียงใจจะยุติธรรมแล้วเนะม่้เห็นอารมณ์นี้ชอบเห็นอารมณ์นี้เกลียดเหมือนเป็นผู้ผผพิพากษาเห็นคนนี้ชอบเห็นคนนี้เกลียดอย่างนี้จะไม่ยุติธรรมแล้วนะนี่ถ้าเวลาเราภาวนาถ้าใจเราเกิดความชอบ ชอบสิ่งนี้ขึ้นมาให้รู้ทันถ้าใจเราเกลียดสิ่งนี้ขึ้นมาให้รู้ทันพอรู้ทันแล้วความชอบความไม่ชอบเนี่ยมันจะดับไปเองใจจะเป็นกลางเพราะฉะนั้นจิตที่จะใช้เดินปัญญาเนี่ยนะต้องเป็นจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางตั้งมั่นก็คือถอนตัวมาเป็นคนดูเป็นกลางก็คือดูอย่างยุติธรรมดูอย่างซื่อตรงนะไม่ดูแบบลาเยียงเข้าข้าง งงหลวงพ่อจะสอนเรื่อยวิธีปฏิบัตินะให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงความจริงของกายของใจคือใจรักดูกายดูใจสแสดงใจรักษณ์ไปเราจะดูกายดูใจสแสดงใจรักษณได้เนี่ยต้องดูด้วยจิตที่ตั้งมัน่นจิตที่ถอยออกมาเป็นคนดูไม่ใช่เป็นคนที่โดดลงไปเล่นเองเป็นคนดูจะดูได้ชัดแล้วก็เป็นกลางคือไม่ลำเอียงนะความสุขเกิดขึ้นถ้าเกิดชอบนะความสุขเกิดขึ้นแล้วชอบเนี่ย รู้ว่าชอบความชอบจะดับความสุขยังอยู่เราก็เห็นความสุขเป็นของแปลกปลอมเข้ามามาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปใจจะไม่หลงไปเพลิดเพลินในความสุขเวลาความทุกข์เกิดขึ้นใจไม่ชอบเรารู้ทันว่าใจไม่ชอบนี่พอเราใจตั้งมั่นนะเราจะเห็นว่าความทุกข์กับใจเนี่ยเป็นคนละอันกันพอจิตตั้งมั่นแล้วขันมันจะแยกคือจะเห็นว่าความทุกข์จิตใจเป็นคลนละอัน พอความทุกข์เกิดขึ้นใจไม่ชอบรู้ทันความไม่ชอบดับใจจะเป็นกลางก็จะรู้ความทุกข์ด้วยความเป็นกลางรู้แบบไม่มีส่วนได้เสียเลยก็จะเห็นทาความทุกข์มีเหตุความทุกข์ก็เกิดความทุกข์หมดเหตุแล้วความทุกข์ก็ดับไปทุกอย่างเกิดจากเหตุไม่ใช่เกิดจากเราสั่งมันมีเหตุมันก็เกิดมันไม่มีเหตุเหตุ ด, ดับไปตัวมันก็ดับไป เนี่ยท้อใจเราตั้งมั่นใจเราเป็นกลางเราก็จะเห็นนะทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ว่าในร่างกายนี้หรือในจิตใจเราทุกสิ่งทุกอย่างเนะี่ยถ้ามีเหตุมันก็เกิดถ้าไม่มีเหตุมันไม่เกิดถ้าเหตุมีอยู่มันยังมีอยู่ถ้าเหตุดับไปมันก็ดับไปนะทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามผลทั้งสิ้นเลยใจเราจะเป็นคนที่มีเหตุผลเต็มเปี่ยมนะถ้าเราจะแก่เราก็รู้สึกว่ามันปกติมันมีเหตุเราสมควรแก่เพราะมันอยู่มานนาน มันสมควรจะเจ็บแล้วนะเพราะร่างกายนี้ใช้งานมันนานต้องชำรุดบ้างสมควรจะตายแล้วนะเพราะใช้งานจนใช้งา่ายงานต่อไปไม่ไหวแล้วเนะนี่ยเราจะดูนะทุกอย่างไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราชีวิตเราจะเต็มไปด้วยเหตุผลอย่างคนที่เรารักทิ้งเราไปนะเราก็รู้สึกว่าก็กกถูกแล้วก่อนหน้านี้ก็ได้อยู่กันมาพักหนึ่งแล้วมีความสุขอยู่ช่วงหนึ่งแล้วความสุขมันอยู่ช่วงคราวถึงเวลามันต้องไปแล้ว ไปมีความสุขอยู่ที่อื่นไม่สูงอยู่กับเราแล้วนี่เราจะดูนะอะไรเกิดขึ้นใจมันยอมรับได้ความแก่เกิดขึ้นใจก็ยอมรับได้มันเห็นะมันมีเหตุมีผลทั้งหมดเลยมันแก่เพราะมันอยู่มานานละมันจะเจ็บไข้มันก็มีเหตุมีผลนะมันจะตายมันก็มีเหตุมีผลมันจะอกหักรักสลายคนที่เรารักพลัดพรากไปก็มีเหตุผล เราต้องเจอคนที่เราไม่ชอบเจอสิ่งที่เราไม่ชอบมันก็มีเหตุผลของมันตัวอย่างมันมีเหตุมีผลใจยอมรับตรงนี้นะใจไม่ทุกข์ละอ่างเราต้องเจอเพื่อนบ้านที่ไม่ดีมีไหมเพื่อนบ้านที่ไม่ดีทีแรกเราก็อยู่ของเราสบายนะมันย้ายบ้านมาอยู่ข้างบ้านเราเนี่ยมันมาทีหลังเลยนะมันร้ายมากเลยเลี้ยงหมาไว้ห้าร้อยตัวเห่าทั้งวันทั้งคืน <c oughs> อย่างนี้เราก็แย่นะ เราก็แย่หรือบางคนนะสร้างบ้านอยู่อย่างดีเลยเลือกที่อย่างดีสบายอากาศดีวันหนึ่งมีคนมาตั้งโรงงานอะไรอยู่ข้างบ้านเราหนกหูทั้งวันทั้งคืนเราเลือกไม่ได้บางทีเราเลือกไม่ได้ถ้าใจเราปฏิเสธใจเราก็ทุกนะทุกทางร่างกายแล้วต้องนอนไม่ค่อยหลับหนกหูเลยยังทุกทางใจอีก ถ้าจะยอมรับความจริงได้เพาเราอยู่สบายมาตั้งนานแล้วหนูหูบ้างก็ดีเหมือนกันแปลกๆ <c oughs> อะไรเกิดขึ้นนะมันอยู่ได้สบายเลยเพราะมันเห็นเลยว่าทุกอย่างในโลกนี้นะเป็นของชั่วคราวทุกอย่างมาด้วยเหตุไม่มีเหตุก็ไม่มีมีเหตุก็ยังมีอยู่เหตุดับมันก็ดับก็จะเห็นอย่างนีใ้ใจจะยอมรับได้ก็ต้องเห็นบ่อยๆ มีใจตั้งมั่นใจตั้งมั่นคือใจมันถอยออกมาเป็นคนดูนะแล้วเห็นทุกอย่างแยกออกไปร่างกายแยกออกไปใจอยู่ต่างหากสุขทุกแยกออกไปใจอยู่ต่างหางความดีความชั่วโลภปลดหลงแยกออกไปใจอยู่ต่างหางเนะื้อใจเป็นคนดูแล้วก็ดูด้วยความเป็นกลางนะพอเห็นสภาวะอย่างนี้ชอบรู้ทันความชอบก็ดับ เห็นสภ า, าะวะนี้ไม่ชอบรู้ทันความไม่ชอบก็ดับใจก็เป็นกลางถ้าเมื่ไรเราสามารถฝึกให้ใจของเรานะมีสติคอยรู้กายคอยรู้ใจอย่างที่กายเป็นอย่างที่ใจเป็นเราจะรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นด้วยจิตที่เป็นกลางเนี่ยรู้มากๆวันหนึ่งจิตจะยอมรับความจริงยอมรับความจริงว่าทุกอย่างชั่วคราวทุกอย่างมีเหตุก็เกิด หมดเหตุมันก็ดับไปมันบังคับไม่ได้แล้วใจมันจะไม่ทุกข์อีกต่อไปความทุกข์จะค่อยๆน้อยลงน้อยลงวิธีถอนความทุกข์ออกจากใจมันทำได้ตั้งหลายอย่างใช้สติก็ได้อย่างใจเรามีความทุกข์เรารู้ทันความทุกข์ก็ดับแต่ประเดี๋ยวก็เกิดอีกใช้สมาธิก็ได้มีความทุกข์ขึ้นมานั่งสมาธิก็สบายใจออกจากสมาธิก็มาทุกข์อีก แต่ถ้าเราจเจริญปัญญานะเราเห็นความจริงเรียนรู้ความจริงไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งเนี่ยใจจะไม่ทุกข์อีกต่อไปใจทุกข์ได้เพราะใจโง่ใจไม่เห็นความจริงถ้าใจเห็นความจริงของกายของใจเห็นความจริงของชีวิตแล้วใจจะไม่ทุกข์อีกต่อไปองั้นวิปัสสนากรรมฐานคําว่าวิปัสสนากรรมฐานก็คือเป็นศาสตร์เป็นวิชาที่จะเรียนรู้ความจริงของกายของใจนี่เองของรูปนาม ถ้ารู้ความจริงแล้วจะได้อะไรจะไม่ทุกข์นี่เป็นศาสตร์ที่มีแต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่อื่นไม่มีหรอกส่วนมากก็จะยังกลุ่มใจก็คิดถึงพระเจ้าคิดถึงพระเจ้าคิดถึงเทวดาการคิดถึงพระเจ้าคิดถึงเทวดานะใจจดจอ่ออยู่ในอารมณ์มันเดียวคือจดจอ่ออยู่กับพระเจ้าไม่ไปคิดเรื่องอะไรนะใจก็ไม่กลุ้มใจ อันนี้ไม่กลุ้มเพราะว่ามีสมาธิที่เราใจจดจ่อกับพระเจ้ามีสมาธิขึ้นมาใจไม่กลุ้มพราะใจหลุดออกจากพระเจ้ากลับมาคิดเรื่องเดิมกลุ่มใหม่นะกลุ่มใหม่งั้นวิธีที่จะดับทุกข์ถาวรก็ต้องสร้างปัญญาขึ้นให้ใจเห็นความจริงของกายของใจถ้าเห็นความจริงแล้วมันจะไม่ยึดกายยึดใจนะ อะไรเกิดขึ้นในกายจะไม่ทุกข์อะไรเกิดขึ้นในใจไม่ทุกข์จะไม่ทุกข์เพราะกายไม่ทุกข์เพราะใจอีกถ้ายึดอะไรก็จะทุกข์เพราะสิ่งนั้นถ้ารักอะไรก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้น๋ย่ารักรักใครสักคนหนึ่งเราต้องคอยเอาใจเขาเสียอิสระภาพนะต้องคอยเอาใจเขาเลยเป็นทุกข์รักใครสักคนเราก็เสียอิสระแค่มีหมา้ายังกลุ้มใจเลยหมาเห่า ถ้าหมาไม่เห่าก็ต้องพาไปหาหมออีกหมาไม่สบายหรือเปล่าหมาไม่เห่ากุ้มอีกนะมีหมาแล้วหมาเห่าตลอดเวลากุ้มใจอีกหมาโซนเกินไปก็กุ้มใจหมาซึมก็กุ้มใจอีกจะหาเรื่องกุ้มได้หมดอ่ะเพราะอะไรเพราะรักหมาแต่ถ้าเราไม่ได้รักมันนะมันก็ไม่ทุกเท่าไหร่มีแต่ความเมตตานะแต่มันไม่ใช่เจ้าของ ฝึกนะฝึกเรียนรู้ความจริงของกายฝึกเรียนรู้ความจริงของใจรู้ไปด้วยใจที่เป็นคนดูใจตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูรู้ไปด้วยใจที่เป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายถ้ายินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันว่ายินดียินร้ายความยินดียินร้ายดับเจจะเป็นกลางแล้วเราก็จะเห็นความจริงของชีวิตถ้าเห็นความจริงของชีวิตได้เต็มที่ต่อไปจะไม่ทุกอีกต่อไปเอาไปกินข้าวไป